ตอนที่2มหาเสนะเทพบุตรจุติจากเทวโลกฝ่ายมหาเสนะเทพบุตรก็ได้จุติจากเทวโลกลงมาถือกำเนิดในครันของนางพรามณีในขณะนั้นก็มีอัศจรรย์3ประการปรากฏขึ้นคือ 1. บรรดาอาวุธทั้งหลายได้รุ่งเรืองเป็นแสงสว่าง2ง ฝนตกใหญ่นอกฤดูการ 3. เมฆใหญ่ตั้งขึ้นวงเล็บเปิดตอนนี้ในฉบับพิสดากรกล่าวว่าอัศจรรย์ทั้งนี้ด้วยบา ร, รมีของมหาเสนะเทพบุตรที่ได้กระทำมาบอกเหตุที่เกิดมานี้ว่าจะได้ธรรมุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองไปทั่วน้าพันพระวัสา เล็ปิดจากหนังสือฉบับสธรรมภักดีได้บรรยายต่อไปว่าลำดับนั้นพระโรหณะเทระก็ไปเที่ยวบินทบาต ท, ที่ตระกูลนั้นเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปตลอดเจ็ดปีกับสิบเดือนแต่ไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่การยกมือไหว้หรือการแสดงความเคารพก็ไม่ได้ได้แต่การด่าว่าเท่านั้น เมื่อล่วงมาจากเจ็ดปีนั้นจึงได้เพียงคำไต่ถามเท่านั้นคืออยู่มาวันหนึ่งเมื่อพราหมณ์นั้นกลับมาจากดูการงานนอกบ้านก็ได้พบพระเทระเดินสวนมาจึงถามว่านี่เนะี่ยบรรพชิตท่านได้ไปที่บ้านเรือนของเราหรือพระเทระตอบว่าได้ไปพราหมณ์จึงถามต่อไปว่า ท่านได้อะไรบ้างหรือตอบว่าได้พราหมณ์นั้นก็นึกโกรธจึงรีบไปถามพวกบ้านว่าพวกท่านได้ให้อะไรแก่บรรพชิตนั่นหรือเมื่อพวกบ้านตอบว่าไม่ได้ให้อะไรเลยพราหมณ์ก็นิ่งอยู่เวลารุ่งขึ้นวันที่สองพราหมณ์นั้นจึงไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านด้วยคิดว่าวันนี้แหละ บันพชิตนั้นมาเราจะปรับโทษมุสาวาตให้ได้พอพระเถระไปถึงพรามนั้นก็กล่าวขึ้นว่านี่นะบันพชิตเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้วัตถุสิ่งใดไปจากบ้านเรือนของเราเลยทำไมจึงบอกว่าได้การกล่าวมุสาวาทเช่นนี้สมควรแก่ท่านแล้วหรือพระโรหณนะจึงตอบว่านี่แนะี่ พราหม์เราเข้ามาสู่บ้านเรือนของท่านตลอดเจ็ดปีกับสิบเดือนแล้วยังไม่เคยได้อะไรเลยพึงได้คำถามของท่านเมื่อวานนี้เพียงคำเดียวเท่านั้นเราจึงตอบว่าได้เมื่อพราหม์ได้ฟังดังนี้ก็ดีใจจึงคิดว่าพระองค์นี้เพียงแต่ได้คำปราศัยคาเดียวเท่านั้นก็ยังบอกในที่ประชุมชนว่าได้ ถ้าได้ราบอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะไม่สันเสริญหรือนี่เพียงแต่ได้คำถามคำเดียวเท่านั้นก็ยังสันเสริญเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงสั่งพวกบ้านว่าพวกท่านจงเอาข้าวของเราถวายบันพชิตนี้วันละหนึ่งท พ, พีทุกวันไปต่อ น, นั้นพรามก็เลื่อมใสต่ออิริยาบถและความสงบเสงี่ยม ของพระเถระยิ่งขึ้นเป็นลาดับไปจึงขอนิมนต์ว่าขอท่านจงมาฉันอาหารประจำที่บ้านเรือนของข้าพระเจ้าทุกเช้าไปพระเถระก็รับด้วยอาการนิ่งอยู่พรามก็ได้ถวายอาหารข้าวหวานอันเป็นส่วนของตนแก่พระเถระทุกเช้าไปพระเถระฉันแล้วเวลาจะกลับก็กล่าวพระพุทธพ์ วันละเล็กวันละน้อยทุกวันไปคราวนี้จะย้อนกล่าวถึงนางพราหมณีนั้นอีกกล่าวคือนางพราหมณีนั้นล่วงมาสิบเดือนก็คลอดบุตรให้ชื่อว่านาคเษน